เมื่อทรงสดับดังนี้พระราชาทรงประสบโทมนตสอย่างใหญ่หลวงพระองค์ทรงแน่พระทัยว่าต้องเป็นเจ้าชายกุณาละเสียงพินและทํานองนี้ไม่มีใครเลยในปาตาลีบุตรมีแต่กุณาละคนเดียวทรงรำพึงต่อไปว่าดูสิความฝันของเรากลายเป็นความจริงขึ้นแล้วลูกกุณาละเสียจักสุเสียแล้วสิ่งอันนาภาคภูมิใจนาความรื่นรมมาให้มากที่สุด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 แต่ขณะแรกที่ทราบว่าเธอเป็นผู้ประทุษร้ายกุนาละบุรของเราอะไรจงใจให้เธอทําความชั่วถึงปานนี้อะไรทําให้เธอมองไม่เห็นคุณค่าของความงามและความดีเช่นกุนาละอะไรทําให้เธอมือดบอดภายในอย่างไม่มีอะไรเปรียบได้ติสยรักษิตาเธอเลวร้ายเหลือเกิน